อนาปฏิวานพิกชณีต่อไปนี้ไม่ต้องระบัตคือ 1,106 1. พิกษนชณีบวทให้ยิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ได้ศึกษาสิ้าในธรรมข้อตลอด2ปีและสงสมมุติแล้วสองพิชณีวิกลจริต 3. ภิพิชณีต้นบรรยัติสิ้าบทที่7